ทำๆกันจะพูดกับทุกท่านทุกรูปทุกนามชีวิตเราเหมือนกันเรื่องรูปนามก็มีกายมีใจเป็นภาษาทุ่นทุ่ก้อนๆ้อนเป็นภาษาที่หลงได้ง่ายถ้าพูดถึงว่ารูปนามมันไม่ค่อยหลงแล้วก็เหมือนกันหมดเป็นสามันลักษณะ ในความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนมันคุมหัวเราไวแล้วในความไม่เที่ยงของบางคนในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนบางทีเราออก็มาเป็นทุกข์บางคนก็ถ้าเห็นรูปนามแล้วไม่ออกมาเป็นทุกข์สิ่งที่สอนให้รู้ใครก็รู้แต่สอนให้เป็นเนี่ยต้องสอนตัวเอง ในคนาจนเมื่อแต่ชิดอยู่มันก็ใช่ไม่ได้ถ้า ม, มีความขยันมีนความอดทนมีนความเพียรประกอบอาชีพการงานถ้ประชิดว่าจนว่ารวยอยู่มันไม่สําเร็จปฏิบปทารมก็เหมือนกันเมื่อแต่เอาความรู้ไปเกี่ยวข้องกับการกระทํา เหตุผลต่างๆบางทีมันก็นอนชาเกิดอะไรได้หลายอย่างเช่นทำงานมันก็มีเหนือ่อยเมื่อยล้าแสงแดดละวองผลเอาเหตุเอาผลกับควงในเ ห, หนืย่ยเวล้าเอาแสงแดดเอาละองผลมาเป็นโคไม่เจฉนเป็นเจินขี้วัดเพื่อให้เราเอาเหตุเอาผลนั้น มันก็ไม่ถูกต้องดังนั้นการทํางานต้องมีหลายอย่างที่จะทําให้สําเร็จการทําความเพียนก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันใครๆก็มีปัญหาเหมือนกันให้แต่พระพุทธเจ้าสามอย่างเป็นศีรษะก็ยังก็เหมือนกันกับเราเช่นคำสอนขององค์มาพร้อมกันกับการตัดสู่ต้องเห็นธรรม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 แต่ถ้าไปคิดว่าหลงมันไม่ดีรู้มันดีเมื่อแต่เห็นผลถ้ามันหลงก็ไม่ดีถ้ามันรู้ก็ดีเมื่อแต่ดีไม่ดีอยู่เมื่อแต่ผิดแต่ถูกอยู่เมื่อแตได้เมื่อแต่เสียอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นเวลาสร้างสติไม่เหมือนกับธรรมนอื่น อะไรก็ตามให้รู้จึกตัวมันเป็หลักอยู่นี่หลักมันมีอยู่นี่เอาความรู้จึกตัวนี่ก็ยังไม่เก่งก็อาศัยนิมิตตัว ก, กายจะไหมก่อนพระองค์เอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นนิมิตที่ว่าสูตรสูตรปฏิบัติธรรมสูตรสติปัฏฐานสูตรทาง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 เราก็มีหวัวคิดเช่นโจรผู้ร้อยก่อความไม่สงบในภาคใต้เวลานี้มันก็วางแผนไปเรื่อยเอาชนะเจ้าหน้าที่ตงรวจทหารเมื่อไม่นานมานี้มันก็มีสติมันก็คิดวางแผนทำท่าลืมจักรยานไว้ข้างทางตารวจทหารไปเห็นจักรยานจอดอยู่ ก็ไปยกจกรยานขึ้นรถมันก็วางระเบิดอจุทีนนั่นหน่อยแต่ทหารตำรวจตายไปสองคนเจ็บปีกหลายคนเหมือนกันมันมีสติไหมมันก็มีหมือนการวางแผนได้สําเร็จอันนี้เรียกว่ามันก็ฉลาดอันควาชั่วเนี่ยคนชั่วอันความโกรธความโลภความหลงมันไม่ฉลาดตานนั้นมันเกิดขึ้นซื่อเซ้อโง่โง่ ความหลงก็เกิดขึ้นโงๆในตัวเราเองไม่มีวัตถุอะไรถ้าเราไม่มีสติเราก็ลู้ศึกไว้ให้มันเป็นฐานตกตนฉนตนให้มันลู้เป็นให้มันลู่มากให้รวมลู้เป็นเจ้าเรือนเจ้าของกายเจ้าของใจเป็นเจ้าของลูรรมนามธรรมในานี้กลับมาอย่าแปลเหตุเอาผล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 ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปไปทำทั้งนามมาทำไปพร้อมกันชีวิตเรามันก็มีสองส่วนอย่างนี้มีรูปไปทำคือร่างกายนี้เป็นตุ้นเป็นก้อนประกอบไปด้วยธาตุสีนามมาทำมไม่เป็นตุ้นเป็นก้อนแล้วก็มีความรู้เลยได้อันนามมาทำนั่นนะหอบิ้วลูบหนีไปจากความดีเอารูปไปทําชั่วได้ นามธรรมมันก็มีอำนาจเพราะนั่นเราเราก็รู้อันเชะเวล า, เรารู้สึกตัวก็เป็นนามธรรมอันเคลื่อนไหวอยู่นี่เป็นรูปธรรมถ้ารู้สึกตัวเป็นนามธรรมมันจับทั้งสองงาเป็นพวงถ้าหลงก็จับไปเป็นพวงเหมือนกันถ้าแต่อะไรจะเป็นเจ้าของ ถ้าความหลงป็เจาของก็เอารูปไปเอาน้ำไปทมความชั่วได้สาเร็จออกผิวไปได้ทาความชั่วได้ได่าถ้ามันมีอำนาจมากถ้ามีนามธรรมมีความรู้สึกตัวประคตฉันทำให้มันเข้มแข็งมันก็หอผิวไปไม่ค่อยได้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 นี่ไม่ต้องอาศัยรูปธรรมก็ได้ที่เวลาเราจะตายจะมาสร้างจังหวะได้หรือจะมาเดินจงกรมได้หรือก็อมาเปิกตอนจะตายมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ยังไม่ตายถ้ายังไม่ฝึกถ้ามันด้านด้วยความหลงมันก็ทําไม่ค่อยได้เลยไปสอนคนมีอายุเศรษฐีบางเขนเนี่ย เวลาสอนตะวันให้ยกมือสร้างจาังหวะมันก็เอามือไปข้อกกระแทกมามาเอามือสาวลงไปกระแทกมาแล้วพูดลวองอื่นไว้นอนเราบอกให้ลูกที่แม่ลูกนี้เอามือวางไว้นี่แป๊บเดียวหลงไว้จับ น, น่นจับนี่พูดออกปล่อยนั่งพูดอยู่เป็นยี่สิบสามสิบนาทีไม่รู้เรื่องกันเลยความหลงมันมากความหลงเจ้าของลูกเจ้าของนาม มันก็รูปอะไรไปถามอันที่ไม่จำเป็นบอกให้เมื่อบางวันนี้มันก็รูปไปจับตะขามบาง ว, วันตากสาแเราก็พูดไปกันสร้างพระประธานใหญ่ที่สุดในโลกหมดไปแล้วสิบล้านยังไม่เสร็จเลยย่ว่าก็มาเอาเงินไปทีละแสนสองแสนว่าจะเสร็จก็ยังไม่เสร็จเลยมันก็เลยไปทางโ น, น้นซามันเคยไหล เห็นไหมเห็นตัวเองไหลไหมนอนอยู่ก็ไหลไปหาลูกหาหลานไหลไปไม่หยุดไม่ยั่งเลยโดยจงังหวะมีสติมันก็ว่าหยุดม่ใช่หยุดไม่เดินไม่ทํางานถ้ารู้สึกตัวมันก็หยุดแล้วมันเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันที่มาทีหลังไม่มีการทาอะไรอยู่นี่มันเป็นทั้งรูปทั้งนามเนี่ย แล้วก็ทําอย่างนี้มันก็มากันหมดแล้วลก็รูปไปนานๆมันก็มีหลักอยู่ตรงนี้อย่าแปลเหตุเราผลใครๆก็มีความรู้เหมือนกันหมดทันแหละไม่ใช่งงโง่หรอกเช่นควมร้อนต้องอาบน้นําหนาวห่มผ้าหิวก็กินข้าวเหมือนเด็กแต่เด็กก็หิวข้าวหิวข้าวไปบอกพ่อบอกแม่ อันที่แม่ก็รีบเป่าไฟเพื่อจะเร่งไฟให้หุงข้าวให้หนึ่งข้าวสุกง่ายแม่ก็เป่าไฟเผากองไฟเผาหม้อนึ่งนึ่งข้าวอยู่ลูกก้ไร้องหิวข้าวหิวข้าวแต่สิ่งที่มันหิวแค่หิวได้แม่ต้องรีบนึ่งข้าวให้มันสุกเื่แต่ดึก เือลูกจะตื่นขึ้นมาจะกินข้าวอันนี้เขาทำมานอนแล้วตอนนี้ถือว่าลูกหิวข้าวเอาข้าวมาป้อนเลยถ้าไม่มีข้าวป้อนผมก็ร้องให้อยู่นั่นแหละบางทีแม่กำลังสวยข้าวอยู่ลูกก็ไปหิวข้าวหิวข้าวนั่งเฝ้าอยู่มันได้กินกินข้าวผมก็เกิดก็หิวแต่เมื่อก่อนเนอะข้าวมันหอม พอได้กินข้าวแล้วก็หิวทันทีล่ะทุกมันเนี่ข้าวไม่หอมไม่ค่อยมีรสชาติทำทาไมข้าวจะไม่หอมเพราะมันปรปรุงพันธสัญญกลายพันธไปจนไม่มีคุณภาพไปก่อนข้าวหอมหอหวานอ่อนทุกวันนี่ไม่มีรสอะไรเพราะมันกลายพันธ์เพราะมันปรุปงแต่งมาก ชีวิตเราก็เหมือนกันไอ้ปรุงให้สุขให้ทุกมันอยู่ตรงกลางมันก็มีรสชาตินะเห็นมันสุขเห็นมันทุกเนี่ยเห็นมันรู้เห็นมันหลงเนยตรงกลางๆเนี่ยมันเป็นรสที่เป็นรสเดียวความรู้สึกตัวนะรวมทุกก็เป็นรสถึงความสุขก็เป็นทุกรสหนึ่งแต่ภาวะที่เห็นสุกเห็นทุกเนี่ยมันเป็นรสเดียว สไม่ใช่สุขทุกข์ไม่ใช่ทุกข์มันเป็นการเห็นเข้าไปนะเนี่ยลถพระธรรมย่อมเชนะรลดทั้งปวงสัพพะลสังธรรมะละโสขินาติลดพระธรรมย่อมเชนะรลดทั้งปวงคืออันนี้ให้พากันจินลงไปให้รู้ลงไปเห็นลงไปให้รู้อยู่เวลามันหลงรู้อยู่อย่าให้ความหลงมีรสชาติบอกแล้วบอกอีกอยูน่นี่ได้ยินไหม อย่าให้ข่าความสุขความสุขก็มีลดความทุกข์ก็มีลดความรักความชังก็มีลดความยากความง่ายก็มีลดมันก็เลยมีลดชาติไปนอนซะก็ติดลดกันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวัตถุที่ทําให้เกิดลดรูปรุดกินเสียงปัฏฐาอารมณ์เป็นเหตุที่ทำให้เกิดลดมีค่ามีราคาเราก็หลงกันติดลดเป็นงอมเงมสัตว์โลกเนี่ย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 มันโกรธฉี่โค อ, องโกรธมันหลงขี่คอของหลงเหมือนคนขี่เสือเห็นไหมอยู่หน้าวัดเห็นไหมถ้าเห็นเราไม่เป็นเหมือนคนขี่เสือเสือมันไล่ขนาดไหนได้ขี่หลังมันได้ปากเจ้าก็เลยไม่มีอะไรเลยนี่ชีตังเมชนะแต่เ น, นืตัวเองเนี่ยมีไหมแพ่ตัวเองมีไหมมันหลงก็บแพ้หรือแค่ความหลงเฉย มันโกรธก็แค่หรือเช่าความโกรธเฉยๆไมีค่าอะไรความโกรธมันมีค่าแต่เราไม่รู้เราจึงขยันให้ประกอบของมรู้ทุกตัวนี่เป็นที่ตั้งการขยั น, นี่หรือ่องภาวนาภาวนาคือมาสร้างยกมือรูยกมือรูสิบสี่จังแบบสิบสีร่รูเข้าไปภาวนาเข้าไปนี่หลักมันอยู่นี่อย่าเอาความรู้อย่าเอาความยากความงม่ายมา นานประกอบให้มีความรู้เลยไปใครๆครเข้าอยู่ตรงนี้ะจะเป็นคนรู้หนังสือเดือไไ่รู้หนังสือจะเป็นปริญญาหรืออะไรก็ตามมันก็ทำกอไก่ตรงนี้กันทั้งนั้นไม่ใช่จะเอาวุฒิภาวะมาอวดหนาเราเจแิญเราหนุ่มเราสาวเรออรู้อะไรต่างๆนั่นใช่เรื มันก็อันเดียวตวนนี่ยคือภาวะที่รู้สึกตัวเลยไปมันจึงเป็นอันเดียวธรรมะที่แท้เป็นอย่างเดียวกันนี่ว่าสัจจะของเป็นจริงถ้าจะเอาภาวะอื่นมาขวงกันมันก็ต่างกันไปไม่เป็นสากลไม่เป็นสามันลักษณะมันต้องเป็นอันเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันพวกเราน่นั่งอยู่เนี่ย มาจากทิศไหนทานใดเพศใดภาวะใดลัทธิใดนิกายเลยเหมือนกันหมดมีรูปมีดรามมีสติมีความรูปมีความหลงมีความโกรธความโลภมีสุขมีทุกมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมดก็จะเอาเหตุเอาผลมาชี้แยงว่าต่างกันอยู่มีไอิโกอิซุมสำคัญว่าตนสำคัญว่าคนอื่น ผมน้ยผมเครื่องผมโน้ยก็ยอมผมื่องก็ยิ่งใหญ่เอาชนะก็โกด้วยความโกดเอาชนะความหลงด้วยความหลงถ้ามันหลงก็จะทําให้ความหลงหมดไปจิตเล่าหิวเล่าก็ต้องหาจิตเล่าจนได้ผู้เล่าผู้ดีเวลาติบผู้ดีเวลามหิวผดีกูจะสู้กูจะสู้ ไดเงินเสร็น้อมอาชื่ อ, อยาสูงเนะ่ไปรับจ้างเสรน้องได้จากสิบบาทได้อยากจากสองนึนงแต่ก่อนซองละสิบบาทไอนี่มันซองละสามสิบสี่สิบบาทจนให้ความหลงได้สำเร็จแก้ความหลงด้วยความหลงล เ, รเราโกรธเราโกรธตอบแก้ความโกรธ ด, ด้วยความโกรธอนนั้นมันไม่สช่โต้พระพุทธเจ้าไมา่ใช่สนรเสริญเรนั้น ชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความตเหนืด้วยการไม่ตเหน่แต่ละชีคอนมันเกิดอยู่ที่รูปที่น้ําเนี่ยไม่ใช่เกิดอยู่ที่ไหนไม่ได้มุดมาในดําดินมาไม่หงอเถินฟ้ามาอยู่ที่รูปในน้ําเนี่ยน่าจะเป็นกิเลสตัณหา อยู่กับเราสามัยก่อนกิเลสตระหนาก็อยู่พระพุทธเจ้าอันเดียวกันสมัยที่ยังไม่เป็นพุทธเจ้างวงมีเหมือนกันสีตระก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อลาหุนมีข้าวอมเฮสีพิมพามีทรัพย์สินสะดึงคานมาไม่มีอะไรที่บกกข้องชาติภูมิอะไรต่างๆไม่หมด แต่ทำไมจึงมาบอกให้เราสอนให้เราก็ยาลรุชาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายโตออเล่าจะบอกว่าต้องเป็นกรรษัตริย์นะจึงจะทำาน่ยไม่ใช่เลยต้องมีหัตถวินชีมาเขามีนายฉันทะพาไปบวชมีม า, า ก, กันนักะชีออกไปตั้งแต่กรุงกบิลพัฏ์ถึงรูเขาตรงคัสิลี ใกล้ๆเจะคืบไปนอนมันไม่ใช่เรื่องใกล้แต่ม่าผีเท่าไปดีก็วิ่งมาถึงเพื่อให้ใครตามทันเราก็มีม่มา ก, กันแต่กะเดิน ม, มาขี่รถมาแต่แล้วก็คือกายคือใจมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนาเอามีสติเห็นจิตมีสติเห็นธรรมแค่เนี้อะ่ะไม่ใช่เอาพกขันหรือเอา มากันาก็เป็นทักที่จะต้องต่อสู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลยเดินจยบ่บนดินไปเห็นถ้ำโดงคาสิลีมันก็เป็นถ้ำเล็กๆที่ไปฝึกอยู่นั่นหลอนตาเคยไปดูเป็นภูเขาข้างแม่น้ำในรันชลาแต่ราชนาฉือลงมาถึงพุทธคยาเนี่ยก็เป็นพืชดิน มีผูเขามีป่าไม้นี่แม่น้ำแม่น้ำก็ไหลอยู่เช่นลำบาทามก็ไหลอยู่แบบแม่แต่เดี๋ยวนี้ในลันเชลาไม่มีแล้วน้ำเหลือแต่สายนายแขกก็จะไปซักผ้าเขาก็ขุดสอยลงไปจะมีน้ำออกมากล้เห็นที่พอห า, อ ไ, าได้ไปวางได้ใกล้ๆบ่ เขาซักผ้าเขามันซักมันเรานะจับช่วยกันทั้งคัวทั้งเนี่ยจมมุ่มเงนบอกตีใส่ก้อนเน็บต่ำเราไม่มีผงซักผ้ามันเราจุ่มน้องไจับมาตีใส่ก้อนเหน็บต่ำต่ำตีใส่ก้อนเหน็บขึ้นเหยียบขึ้นย่อมผ้าเขามันใหญ่มันต้องให้อดผ้าก็ซักแล้วก็พื้เตียร ก, กับขี้ดินดินใาย ไม่ล้นชะลาเลยแต่ยังไปน้าท่อมเลเรามันแห้งก็ไปสั่นเราพัออกมาไม่มีไม่ใครไม่มีอะไรเป็นเพียรผ้ามาตา ก, กับดินไปเลยอ่านี่คือคือก็เป็นนย่างนา้นพระองค์นั่นนะเป็นเจ้าผ้าชายยามาบอกให้คนสอนอากาอย่างปรสนานะมีไหมมีกายไหมมีสติไหมอันเดียวกันไม่ใช่กับสัตว์ไม่ใช่ พระราชามาใช่ชาติภูมิใดเลยบอกให้เรามีสติเห็นกายเนี่ยก่อไก่เหมือนเราเรียนหนังสือกูจะอ่านได้เขียนออกก็เรียนกอไก่อีบีซีดีไปนี่ชีวิตของเราจบตรงนี้แนละ้วเหมือนกันให้อย่าไปทางเกินให้กลับมามีสติเห็นกายเช่นนี้ไม่มากไม่พลงพลังเห็นเวทนามีทุกคนมันสุขคนทุก มันร้อมันหนาวนั่งสร้างจังหวะมันก็เห็นแน่นอนเวทนามันแสดงเพราะมันตกอยู่ในอย่างนี้สอมมันลักษณะมันไม่เที่ยงนั่งใหม่ๆก็สบายเอออย่างนี้ดีเอาไปมามันไม่ใช่ดีการถ้านั่งก็เจ็เมื่อเหมือนเจ็มันก็เจ็บปวดขาปวดแขนมันก็ตายถ่านี่เปลี่ยนไปเกิดทาใหม่เกิดดับสองรูปนามมันลามกับรูปก็ไปด้วยกัน ถ้าไม่รู้จักรูปจังนามเห็นกายเห็นใจเมื่อกายมันเจ็บใจก็เจ็บเมื่อกายมันทุกข์ใจก็ทุกข์เราก็ช่วยกันเองความทุกข์แบบนั้นอะ่ะมันเป็นสัญชาตญาณมันก็รู้จักแก้ไขไม่ใช่ให้ใครบอกเอ้ยไม่เพียนเด้อเจ้านางโดนเราเปลียยนไงเด้อเออเปลี่ยนยุติร้องพอ่อกันไม่เคยคําคถามเลยแล้วก็เพี่ยนเองใครก็เหมือนกันนะ่ะ ใใไม่เคยใครบอกมิ่นเป็นสัญชาตาิญาณแต่ความทุกข์ที่ความรู้อันนั้นนะ่ะมันไปด้วยกันนะ่ะไม่ใช่เห็นมันเป็นไปอย่างนั้นไหเราจึงมาเห็นเวทนาสักษาะเวทนาไม่ทํางนี้ไม่ใช่ไปสอนให้หนีอาศัยเทคโนโลยีมีผมมีเบมีเก้าอี้นัน่งมันก็นั่งไม่ได้หรอกมันก็นั่งไม่ได้ บางทีบ่อเขาเอามาขายบ่อหนึ่งเป็นหมืน่นหมืนเก้าอี้นั่งทำงา น, นอย่างหลงพ่อมีเก้าอี้คนหมูใช่ไอมเป็นหมืน่นนะเก้าอี้นั่งกำาวนวันนี้วิ่งไปเลยจะผักไปมันพาลวิ่งไปเลยนะผล <laughs> ักให้นั่งแบบนี้ก็นั่งได้นะมันก็นั่งไม่ได้หรอกเขาต้องเปลี่ยนทีเลยนั่งยืนเดินนั่งนอนมันก็ใช้อะไรบทเนี่ย ให้เกิดสติปัญญาอย่าให้บทใช้ให้เกิดความหลงไปหลงกับความยืนไปหลงกับความนั่งไปหลงกับความนอนก็บันก็ไม่ใช่ให้รู้เราจึงมีสิทธิที่จะเกี่ยวกับความหลงจึงนี่ให้สาเร็จเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตอก็มีจริงๆรละจิตเนี่ยแล้วคนก็ต้องเห็นว่ามันคิด คือมันคิดอารมณ์ต่างๆมาย่อมไปคู่กับจิตความพอใจความไม่พอใจทาให้เกิดขึ้นกับจิตมีสติสัมผัญญะก่อนความพอใจและความไม่พอใจความพอใจและความไม่พอใจไม่เป็นรดของโลกสัตว์โลกย่อมติดอยู่กับลถนี้เราจึงถอนออกมาให้มีสติสัมผัญญะ สอนความบอใจและความไม่พอใจออกมาจากโลกได้มีสติเลยไปเอาไว้มาว่าไม่มีค่าความบอใจและความไม่พอใจมันก็เป็นลถของโลกลถของโลกแบบนี้มันก็ต่างกันได้ไปมาเป็นเราไม่ใช่มันเป็นอันหนึ่งมีสติจํมญาเห็นอย่างเนี้นี่หลักกรรมฐานอย่าลืม อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรานั่นแหละเรากำลังเป็นพระโยคาวจรตอนนี้เป็นผู้กำลังเดินทางจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นรูปธมเห็นนามธรรมเห็นธรรมชาติของรูปเห็นธรรมชาติของนามเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามรูปและนามตกอยู่ในสามลักษณะ คือเหมือนกันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ได้ฉลาดจากเสียงนี้ไปแต่ก่อนหลงงูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์น้ำตาร่วงน้ำตาไหลเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนพัดภาจากของรล็กของชอบใจบาตถาเฉ่งใดไม่ได้เฉียงนั้นความไม่สบายกายความไม่สบายใจทำให้เราเป็นทุกข์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 มีศีนมีสมาธิมีปัญญาทำลายกิเลสลงไ ด, ด้ความโลภความโกรธความหลงลงได้แต่ก่อนเราอดเอาเวลามันโกรธเวลามันโลภเราก็วิ่งตามมันบัด น, นี้ไม่ใช่ไปวิ่งไม่ทํากับมันอย่างไรพอทําถูกเหตุมันอยู่ที่มันก็เหี่ยวเองเหมือนเราปิดต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้มันมีใบไปปิดใบ ม, มันออกเรื่องมันมีรากอยู่ พ่นมันลอยมันก็เหี่ยวแห้งไปเลยของโกรธของโลภวองหลงลจิตต์ตัณหามันก็ไม่ใช่มันเกิดลอยมีเหตุทุกข์นนะทุกข์เป็นผลตัณหาเป็นเหตุมีโลภเป็นผลมักเป็นเหตุอยากได้มีโลภอยากได้ความหลุดพ้นแต่มีแต่ความอยากแต่ไม่เคยทํำนักให้เกิด มักต้องให้เจริญมลูกต้องทําให้แจ้งทุกกําหนดรู้ต้นหาตรงละมันหลงลูกละแล้วมันโกรธลูกละแล้วต้นหาขึ้นละทุกกําหนดรู้ทุกควางอย่างกมดละเนี่ยคือทําเหตุอันเนี้ยเราจึงมาทําตัว น, นี้มันก็คมไปทั้งหมดหรอมาเช่ดกลัวความทุก ว่าทำเหตุปันดีแล้วเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งหลักมันมีหลักอยู่ทุกคนก็มีหลักอยู่แล้วมีกายมีใจมีรูปทำนามธรรมมีสติมีความรู้คู่กับความหลงทำพับลงไปเจอกันทนทีจะเอกันทันทีมีไหมความหลงเวลาเรามีความรู้เห็นความหลงไหะเห็นกันทุกคนนั่นแหละไม่หลง ตางตาก็หลงต่า ง, ง, งหูจมูกดิ้นกายใจหลงทางกายาว่าหลงที่ไหนะให้ประโยชน์มันรู้ขึ้นมาสอนอย่างเนี้ยสอนตัวเองให้เป็นอ่าเนยพรามันหลงรู้สึกตัวพอามันมีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกเอามาเปลี่ยนความรู้สึกตัวหลักก็อยู่ที่นี่ขยนันรู้อย่างนี้ไว้เรานั้นเราขยันทํางานขยันไปก่อนเอาความขยันไว้ก่อนจะจนจะมีช่างหัวมัน เหมือนก่อนที่มาตำบลเมื่อวันที่สิบเกดเขาซื้อรถได้รถพ่อคนหนังเขาก็มีฐานะมีส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้กันหลายหลายอย่ า, ลลางจะดล่นจะรวยช่างหัวมันแต่ว่าขยัน้วยก่อนบางคนก็บอกว่าพ่อแล้วมีลูกชายคนเดียวอยู่ยังไงก็ไม่อดมายากเขาก็ทำโน่นทานี้ เขาก็บอกรวยชักหวมันแต่ขยันไปอย่างนี้หละทำงานไปอย่างนี้หนี่คือไม่ต้องอยากรวยขยันทำให้ถูกต้องขยันหาขยันรักษารู้จักใช้สามีพัญญาสามคู่บัวเทียมเกียนจะเป็นเร่งาาา้าบมาคาบหนีเขาก็ร่วมหากัน สร้งงานขึ้มาคิดสองคนนั่งสมาธิคิดทำลูกศรนทำลูกศรนเะอย่างไในรถจนทำลูกศรอย่างในมอเตอร์ไคิดเขาก็มีสมาธิคิดมีห้องคิดเขาให้หลงตาไปดูห้องคิดของเขาสงบมีห้องแอร์เย็นคิดอะไรทำแล้วทําไปทำแล้วไอนี้ก็ทําสําเร็จขออยันไปก่อนรวยสร้างหัวมัน คิดทําโรงงานทำยางในรถหมอใส่ทํำยางในรถโยนก็ามาใช้ของเขาทดลองดูก่อนก็ใช้มาแล้วก็ใช้ได้เอาไปเป็นสินค้าขายเฉพาะยางเปลรถเนี่ยมองไปนะยางเปล่รถเนี่ยก็ชิขึ้นเองที่จะทํา ก, กาวต่อมาก็คนติดกาเยอะก็มาทํายางปะรถ รวจนที่เรามีไปป่าเราจึดไปหน่อยเช็ดเนี่ยมันก็ติดเลยเนะี่ยเป็นของเขาคนเดียวในในในประเทศไทยเ็าผิดก็าขยันคิดไปเนี่ยขยันสร้างสรรค์อย่างเนี้ยรวยช่างมั่วันคิดไปเรื่อยๆไปเขาไม่คิดหรอกกูจะรวยกูจะรวยเขาคิดนะชาวนาเราบางทีก็นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทาน มันก็ใจมันดีถ้าเป็นชาวนาอาชีพนะถ้าชาวนาสบังเดม ก, กูจะรวยกูจะขาดทุนกูจะได้กำไรก็คิดแบบนั้นมันก็สิ้นเปืองพลังงานไปแต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดทั้งนั้นหรอกเขาทาให้มันดีหาวินาหวานก้ปิดน้ําเราทำความเพียรก็เหมืนกันอยากให้ไ้เอาฝลมาประกอบนะนี่แต่ความเพียรทางลงไปนะ ใจดีประกอบก็โด้วยเหนื่อยช่างหัวมันเหนื่อไหลขา ย, ยอ่อจังหวันเดือบจูงร้อนแดดกาดเลิกช่างหัวมันนี้สึกตัวเลยไปเจ็บออกความรู้มีความรู้ไปเรื่อยๆไปเนะ่ยทุกคนทำอย่างนี้ไม่แตกต่างกันแต่เป็นหนุ่มสาวอย่างนี้ก็จะเป็นคนแก่อย่างนี้อันเดียวกันมีเสมอกันยุงกัดก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหม เปรียบเหมือนกัน <laughs> ไม่มีวิเศษตัวกันหรอกเนาะนี่ก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรานัดมาทำวัดตอนเช้าหลวงตาก็พูดไม่ใช่เอาความรู้สอนไม่ใช่สอนในหะ้ท่านรู้ความรู้ท่านรู้มากกว่าหลวงตาแล้วแตเอ า, าการกระทาแบบนี้แบบนี้ตามพระพุทธเจ้า ผู้เจ้าทำอย่างนี้กายานลปัญนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมธรรมก็มีทั้งกุศลและกุศลธรรมดำธรรมขาวธรรมดำก็คือความหลงธรรมขาวคือความรู้อันนี้มีอยู่กับทุกคนถ้าเอาเหตุแล้วผลเอาความรู้ไม่จบไม่สิน้น มันเนินช้าเราจึงเอาการมันทำนี่บุกเบิกไปมองดง ม, มองป่าเป็นทุ่งไปเลยเจไปสงสารกลางดงกวาดงชี้ข้านแล้วกลางบ้านกนวาดงอะไรก็ยากกันหมดเลย <c oughs> ถ้าเจไปสงจะสร้างไรลงไปดงอย่างนี้เป็นทุ่งไปเลยภาษาไรนาสี่สิบ ใบเนี่เรามองนี่แป๊บเดียวอะไรเราชำนาญในการทํานาแต่บางคนพอตอนลงไปเนยนาโอ้ยมันมากขนาดนี้จะทําใบเรื่อเราสองคนเลยเนยโอ้ยเหนื่อยไปแล้วจะไปคิดแบบนานทําไปเรื่อยไปการทำความเพี่ยนมันจะงอ ก, กงขึ้นมาความหลงไคยขึ้นแล้วขึ้นอีกสนุกสนุกขนาดเก่งตรงนั้นมันหลงเธอรูยิบ บอความยากหว่าเป็นความสะดวกแต่ว่ามาหลงเทหน้าโบดหน้าเบึง้งเอ้ยทำยากเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่นักทำมาไม่ใช่นักปฏิบัติน